อาจารย์ครับกลาวอำมาตการครับผมเจริย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับอาจารย์วันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าแล้วครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการผมขอโอกาสถามอาจารย์วันนี้คนไปใส่บาทเยอะไหมครับวันนี้ก็สามร้อยแปดสิบสามเหมือนกันวันนี้ฝนตกก็เลยคนน้อยน้อยหน่อยครับผมแต่ก็มีใส่ออนไลน์เยอะใช่ไหมครับอาจารย์ก็น้อยกว่าคนบน เกือบ200คนได้ครั บ, รบอาจารย์ทัดขันแข็งแรงแล้วใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วเห็นไม่ได้เดินวันหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อพอดีท้องเสียมันอาหารเป็นพิษเนะครับอพอทานยาไอคารบอนมันก็หยุดมันก็หยุดเดินท้องเดินแล้วก็ก็สามารถบินทบานวันต่อไปได้แต่วันนั้นไม่ไม่กล้าไปกลัวยาต้อง วิ่งหาข้องห้องน้ำการทางมันจะยกเลยครั บ, <ป>รบอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องกายะคตาสติครับว่าเราจะฝึกอย่างไรแล้วฝึกแล้วเราจะได้อย่างไรได้อะไรมาบ้างครับอาจารย์ครับกลับมาความเมตตาครับกายะขตาสติก็คือการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติปกติใจเราไม่ไม่มีที่ยึดเดียวไม่มีที่ตั้ง มันไหลไปกับกระแสความคิดปุ่งเต็มมันไหลไปกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาเห็นอะไรก็ไหลไปกับสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรก็ไหลไปกับสิ่งที่ได้ยินมันเลยมันละนามะกะอ๋อวันนี้ไฟดับพอดีไม่ทราบอะไรขึ้นมาอ่ามาแล้แแลน น, นใจจทีี่่มเเยัะป็อ ไม่มัดคงมันจะถูกอารมณ์ครอบงำ ม, มันจะไม่สงบมันจะไม่นื่องมันจะลอยไปกับอารมณ์ต่างๆถ้าใจไม่นื่องนี่ใจไม่มีสตินี่มันก็จะไม่สามารถทําให้ใจสงบเป็นสมาธิได้แล้วถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถไปเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์นกักเกเรต่างๆได้ท่นเสียงแรกทีพ่พระเจ้าทรงสอนก็คือให้เจริญสติ ทรงตรัสว่าสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดสําคัญกับสมาธิสังคัญสำคัญกับปัญญาเพราะสมาธิกับปัญญานี้จะเกิดถ้าไม่มีสตินี้จะเกิดไม่ได้พระอาจารยทรงเปรียบเทียบสติเป็นเหมือนรอยเท้าช้างที่เป็นรอยเท้าที่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าได้หมไม่มีรอยเท้าของสัตว์ใดที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้าง สติก็เป็นเหมือนธรรมที่สำคัญกว่าธรรมทั้งหมดเพราะถ้าขาดสติแล้วจะไม่สามารถเจริญธรรมอย่างอื่นได้ไม่สามารถเจริญสมาธิไม่สามารถเจริญปัญญาได้จึงเน้นเรื่องความสำคัญของสติในการแสดงสติป ร, ระธานสีเพราะว่าทรงสอนให้เจริญสติเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนเจริญสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมา ให้อยู่กับร่างกายทุกเริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ให้เฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังอยู่ในเรีาายาบทใดกําลังนอนกําลังลุกขึ้นมานั่กําลังยืนกําลังเดินกําลังไปทํากิจต่างๆหาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารให้จิตเกาะติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลา ถ้าเราผูกใจไว้กับร่างกายใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนังน้นเรื่องนี้ได้แต่ปกติเราจะไม่มีสติแบบนี้กันพอเราเต่งึ้นมาปั๊บเราไม่ได้ดูร่างกายเราคิดก่อนวันนี้วันอะไรวันานาฬิกาจะไปทำอะไรแล้วไะคิดไปเตรียมการต่างๆไปในขณะที่ร่างกายก็อาบน้ำนั่งหน้าแปลงฟันไปคือทำสองอย่างควบคู่กันไปร่างกายทำอย่างหนึ่งใจทาอีกอย่าง อันนี้ก็เรียกว่าการไม่มีสติถ้าไม่ถ้าไม่มีสติแบบนี้เวลามันนั่งสมาธิให้นั่งดูลมหายใจเขาออ้าก็จะไม่ดูลมหายใจเขาออ้านั่งไปก็จะคิดคุ้งสั้นไปคนที่นั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบก็เพราะว่าไม่สามารถถึงใจให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้มันก็จะไปคิด่องนั้นเรื่องนี้นังนน่งไปนานสัเท่าไหร่มันก็ไม่สงบ พอไม่สงบมันก็เขาเกิดอาการอึดอัขึ้นมาถ้าเจ็บตรงนั้นปวดท้องนี้ก็ไม่อยากจะนั่งต่อการนั่งสมาธิก็เลยล้มเหลวแต่ถ้าฝึกสติอย่างที่พระเจ้าทรงสอนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเนี่ยให้เฝ้าดูอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาร่างกายรับประทานอาหารก็ดูการรับประทานอาหารดูแอคชั่นของร่างกาย ตัดข้าวใส่ปากเคี้ยวกลืนแล้วก็ตัดข้าวใส่ปากเคี้ยวกลืนให้อยู่กับกายตลอดเวลาไม่ได้กินไปแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ให้มีเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องถ้าอย่างอยากฝึกสติอย่างอย่างที่มันเป็นสัมปชัญญะก็ อ, อย่างต่อเ น, นื่องไม่พังไม่เพลอไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยก็ต้องทําแบบนี้พยายามจับใจผูกแหว้ให้อยู่กับกายตลอดเวลา ถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจก็มันก็จะอยู่กับลมหายใจก็มันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พ่ามีสติคอยหยุดความคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้ถ้าใครมีสติแบบนี้นั่งสมาธิห้า น, นาทีจิตก็สงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่อุเบกขาได้เข้าสู่ฌานขั้นที่สี่ได้ ถ้ามีท่าใจมีความสงบมีใจขั้นที่สี่ใจก็จะมีพลังที่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากขั้นตถ้าทำการจะหยุดตัณหาก็หยุดมันได้แล้วนี่คือประโยชน์ของการเจริญสติพอมีสติก็จะได้สมาธิพอมีสมาธิก็สามารถไปเจริญปัญญาให้เป็นภาวนาพญปัญญาไนดะ้ปัญญามันในสามขั้นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณานี้ยังไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิประกอบด้วยปัญญาเหล่านี้ก็จะเป็นภาวนาเมย์ปัญญาพิจารณาอะไรปั๊บก็ตัดได้เลยพิจารณาว่าทุกอทุกเกิดจากความแก่เพราะเกิดจากความอยากไม่แก่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมแก่ตัดความอยากไม่แก่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอยากไม่ย์ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ตัดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป the ่วยยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับความตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ตอนนี้เราใจไม่ยอมรับกันใช่ไหมใจล้วทุกคนไม่อยากแก่กันไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายพอเจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีกาลังหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ทั้งที่รู้อยู่ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายฟื้นมันไม่ได้แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่อยากจะไม่เจ็บไข้นั่นป่วยไม่อยากจะตายแต่ถ้ามีสมาธิมีสติทําใจให้นิ่งให้สงบได้ทําใจให้เฉยได้กับความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะไม่ถุกข์ในการปฏิบัติเพื่อให้มีมีสติมีสมาธิมีปัญญา เพื่อที่จะมาหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้นี่คือความสัารันของสติอาจารย์ครับแล้วอาณาปานสตินี้ก็เป็นกายคตาสติแบบหนึ่งไหมครับใช่เพราะว่าเวลาเราเั่งเฉยๆนั่งกายไม่เคลื่อนไหวแล้วเยแล้วก็ดูลมแทน ลมมันก็ออกมาจากร่างกายเขาออในร่างกายก็ถือว่ายังอยู่ในอยู่ในกรอบของกา ย, ยกตาสติเพียงแต่ว่ า, าท่านเรียกอนาปนสติอานาปน า, าน า, ปนาแปลว่าลมเข้าลมออกเพราเวลาเรานั่งเฉยๆแล้วยังดูกายทางไหนเดียวร่างกายมันไม่เคลื่อนไหวเวลาเราทําอะไรเราก็ดูงานที่กําลังทําอยู่ดูมอือตักข้าวดูดูปากเคี้ยวอาหาร ดูปากเกินเข้าไปเราไม่มีอให้ดูอยู่แต่พอนั่งเฉยๆหน้ากายไม่ทําเลยก็มีลมที่มันเข้าออกก็เลยดูลมอย่างเดียวดูลมแทนแล้วการมองร่างกายเป็นอสุภะนี่เป็นกายคตาสติไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นขั้นวิปั ส, สนาขั้นปัญญาเนี่ยแต่เราเวลามองร่างกายมันจะไม่เห็นอสุภะใช่ไหมเพราะร่างกายของคนเหานี้เขาจะแต่งให้สวยงามกันทุกคนไม่มีใครอยากจะ ทำหน้าตาเละเทะออกจากบ้านไี่ต้องแต่งกายแต่งตัวแต่งหน้าตาปากอะไรให้สวยให้งามก่อนพอเราเห็นหน่างกายของเพศตรงข้ามแล้วก็เกิดการมาราคขึ้นมาไดความอยากเสกการเพราะเราเห็นว่ามันสวยมันน่ารักถ้าเราต้องการจะแก้การมาราคะเราก็ต้องพิจารณาอาการสามสิบสองต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังว่านอาผิวหนังด้านหน้าดูสวยงามอยู่ ใต้ผิวหนังมีอะไรบ้างเช่นหน้าตาหน้าตาของคนนี่สวยตรงหน้าตาถ้าเราเล่าผิวออกแล้วอะไรอยู่ภายใต้ผิวหนังก็กระโหลกศรีษรษะถ้า้ราคิดถึงกระโหลกศรีษรษะความสวยงามของร่างกายหน้าตาก็จะหายไปทันทีพอเห็นกระโหลกศรีษรษะความอยากที่จะไปมีเพศสัมพันธ์หรือมีอะไรกับคนนั้นก็หายไป ก็กำลังไปหาโครงกระดูกดีๆได้เองไปหากระโหลกศีรษะไปหาโครงกระดูกมาเป็นแฟนอันนี้เป็นปัญญาแสดงวิปั ส, สนาเขาต้องมีสติถ้าไม่มีสติใจไม่ยอมพิจารณาหร้คุณหมอขนาดเรียนหมอมายังไม่ยอมพิจารณาเลยอาการาอีสเอ๋อย มันยากกิเลแมันไม่ยามให้เราพิจารณามันจะดึงให้เราไปพิจารณาความสวยงามอยู่เรื่องห น, นังสือในะทางโลกที่เขาผลิตออกมามีแต่หนังสือสวยๆงามๆของคนท่นั้นงไม่มีหนังสือที่เอาสุภาพของคนมาโชว์เลย Facebook ที่โพส อ, อยู่ทุกหน้าทุกเพจก็มีแต่หน้าตาสวยๆงามๆหล่อเรานะ คนที่วิปัสสนาต้องนึกภายในใจว่าข้างใต้ข้างใต้มันเป็นยังไงวะโอ้ข้างใต้มีกระโหลกมีมีกระดูกมีคลงกระดูกมีปอดมีตับมีไตลาไส้มันต้องนึกอยู่เรื่ยมันก็ใช้ตาเอ็กซเรย์มันถึงจะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยงามหรอกมันเป็นความสวยงามมันของปลอมมันเป็นมันหุ้มห่ออยู่ถ้าเปรียบเทียบเหมืนร่างกายเหมือนถังขยะไอถุงใส่ขยะเนี่ยถุงก็สวยอะถุง หาถุงสวยๆของงานหากระเป๋าเ ง, งางามาใส่แต่ของที่อยู่ภายใต้ในกระเป๋านี่มีแต่ของสโปรกของไม่สวยในงานแต่ถ้าเราไม่เปิดดูเราก็ไม่เห็นเราต้องเปิดดูเปิดกระเป๋าร่างกายแล้วนี่ก็ไปเหมือนถุงมีหนังเป็นหุ้มห่ออยู่แต่ภายในถุงไม่มีอะไรก็มีกระดูกมีปอดมีดมดมตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆต้องพิจารณาถ้าเราอยากจะ เอาชนะกามราคะถ้าอยากจะเป็นนักบวชนักบวชเศษกามไม่ได้เราเป็นมองเห็นสิ่งของสวยๆงามๆเข้าเกิดกามราคะขึ้นมาเดี๋ยวทนอยู่ไม่ได้ต้องลาสิกขาไปเข้าใจนะครับอาจารย์ก็คือสรุปว่าเวลาเราตื่นมาเราก็ให้รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็อยู่กับร่างกายไป เป็นแผลกับร่างกายไหมอยู่กับร่างกายทำงานควบคู่ไปกับร่างกายพร้อมๆกันแล้วเวลาไปเวลาว่างก็นั่งสมาธิพอไม่มีอะไรทาก็นั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกให้ใจลงนเป็นอัปปนาสมาธิ้นทำบ่อยๆจนกระทั่งจิตมีความชำนาญเข้าออกในสมาธิแล้วค่อยมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาเรื่องร่างกายก่อนเรื่องรกที่เราพิจารณาก็คือความไม่เที่ยงของร่างกาย ร่างกายเป็นตายรักเนี่ยนะฮหนึ่งไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงก็คือมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความสวยงามของมันก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เที่ยงมันสวยตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวพอเรแก่เวลาเจ็บมันก็ไม่สวยงามหรือจะรู้ว่าความไม่สวยงามก็อยู่มีตลอดเวลาก็อยู่ภายใต้ผิวหนังก็ดูอาการ32ไปก็จะเห็นวน่าร่างกายไม่เที่ยงไม่สวยไม่งาม เป็นสุภาพต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั้นก็พิจารณาอนัตตาน่้งก า, ายนี้ไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนนั้งกายนี้เป็นส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั้นกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ทำให้จัดอาการ32เข้นมาและเวลาตายไปธาตุทั้งสี่ก็จะแยกทางกันออกไปเวลาตายไปธาตุลมก็ไม่เข้ามีธาธาตุลมที่เหนื่อยอยู่ก็จ ะ, ะเหยออกมาตามด้วยธาตุไฟร่างกายก็เย็นลงตามด้วยธาตุน้ำน้ำก็จะไหลออกมาตามทวาวรต่างๆถ้าทิ้งไปนานๆก็ร่างกายก็จะแห้งกรอบกายเนื่องแต่เป็นธาตุดิน นี่นคือพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันแค่ธาตุสีไม่มีเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราผู้พิจารณานี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่อย่างไรเราเป็นผู้พิจารณาก็คือเราเป็นสังขารขความคิดปรุงแต่งที่พิจารณาร่างกายนี้ความคิดสังสังขารขความคิดปรุงแต่งก็อยู่ในธาตุรู้อยู่ในใจใจไม่ได้เป็นร่างกาย ใจก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเวลาร่างกายเป็นอะไรดูงานได้ก็ดูแ ล, แลไปดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปตามเรื่องของมันซึ่งมันหนึ่งมันก็จะต้องมันก็ต้องบุกสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแยกทางไนไปธาตุสี่ก็จะแยกทางออกจากกันไปอันนี้คือการพิจารณาร่างกายเพื่อรัสัมโยชน์ห้าสัมโยชน์ห้าการพิจารณาละละสัมโยชน์ห้าได้ก็เป็นพรนะอนาคามี หังจากนั้นก็จะไม่มีความผูกพันกับร่างกายต่อไปไม่มีความจําเป็นนะต้องอยากจะได้ร่างกายมามาเสกกรรมต่อไปเพราะละการมราภะนะละสักกายาทิฏฐิได้ไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่รู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนิจจันทุกขังอนัตตาไม่กลับมามีร่างกายต่อไปเนื้อานาคมีไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไป เห็มีข่าวตอนนั้นก็บอกว่ามีพระอนาคามีมาเกิดถ้าเกิดต้องเกิดในพรหมโลกยังยังเกิดอยู่ในพรหมโลกเนี่ยในมีมีพรหมโลกห้าชั้นที่เรียกสุทาวามีมีอยู่ห้าชั้นนั่นคือชั้นที่พระนาคามีจะไปเกิดกันแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตในในสวรรค์พรหมโลกไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นพระโสดามันยังกลับมาเกิดอยู่ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระสะกิตากายังกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งาะยังกําจัดการมมราคะไม่ได้หมดกําจัดไปได้ครึ่งหนึ่งทําให้เบาบางลงส่วนพระโสดามันนี่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาสุภะเลยยังติดกับการมราคาอยู่เต็มที่ก็เลยยังต้องกลับมามีแฟนอยู่เรื่อยๆยังอยากจะมีแฟนอยู่ เาเมเพื่ออาจารย์ครับได้ปัญญามากให้ครับผม <c oughs> อาจารย์ครับมีคําถามจากเพื่อนๆบอกว่าทําไมทําบุญกับคนไม่ขึ้นครับอาจารย์ครับก็เราไม่ได้เอาอะจากคนเนี่ยเราเข้าใจผิดเนี่ยมาทำบุญเพื่อให้ใจเรามีความสุขให้ใจเราเสียสละแบ่งปันไม่ให้ยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองทำบุญเพื่อลดความตเนี๊ลดลดความผูกพันลดความโลภที่อยากจะได้เงินทอง เพราะตัวนี้มันทําให้ใจเราทุกความโลภอย่างได้เงินทองความตนหีเนี่ยมันเวลาเสียเงิ น, เ ง, นเงินเงินทองหายไปนี่จะไต ย, ยเสียใจเสียดายท่านเป็นคนตนหีแต่ถ้าก็ไม่ตันหนีก็รู้สึกว่าเฉยเฉยมันก็เป็นมาได้ไปได้เป็นของไม่เที่ยงหรือคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปมันก็ไม่ทุกข์ใจมัไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนจากคนที่เราไปทำของเขา ถ้าไปหวังผลตอบแทนก็ไม่ได้เป็นการทําบุญในการซื้อขายเหมือนหมอเราไปหาหมอเราให้เงินหมอหมอก็ได้รักษาเราใช่ไหมถ้าเราไม่ให้เงินหมอหมอก็ไม่รักษาเราไม่ทำนั้นอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นการซื้อขายแต่ถ้าจะไปถ้าไปทําบุญกับหมอก็เอาเงินมาให้หมอแล้วก็ไม่ต้องการรักษาเลยคิดถึงหมออยากจะช่วยสนับสนุนหมอ เราเอาเงินมาทมําบุญกับหมอให้หมอแล้วหมอจะขอบใจนะไม่ก็ไม่สําคัญไม่ไม่ได้หวังว่าจาอยากหมอทั้งสิ้นเห็นว่าหมอทําทําความดีช่วยสังคมก็อยากจะมาช่วยสนับสนุนก็เลยเอาเงินมาให้ mm hmm. อันนี้เรียกว่าทำบุญเวลาทำงั้นอยา่าไปหวังผลตอบแทนแต่ผู้รับเพราะถ้าเขาไม่ไม่เขาไม่ให้แล้วเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจเราจะบางคนทําบุญเราอยากให้เขาขอบใจอยากจะให้เขาทํำเลยให้ตอบแทนนี้ อันนี้เวลาเขาไม่ตอบแทนก็จะเสียใจบางคนทําบุญแล้วต้องให้ประกาศชื่อเท่หน่อยไม่ได้ประกาศชื่อแล้วเสียใจนอันนี้ไม่ได้เรียกทําบุญมันเรียกว่ามันยังมันยังอยากได้ผลตอบแทนจากการทําบุญอยู่ยังยังต้องทําบุญแบบปิดทองหลังพระนั่นหมายถึงครับทําบุญที่แท้จริงต้องทําบุญแบบปิดทองหลังพระหรือถ้าบริจาค ก, ก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจบ แล้วก็อยากจะประกาศชื่อก็ให้ประกาศว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามอันนี้ได้เต็มเต็มเลยครับอาจารย์ได้เต็มเต็มไม่เสียใจเลยเขาจะประกาศชื่อเราหรือไม่เลือเขียนอ่านชื่อเราผิดหรือไม่เราก็ไม่เสียใจไม่เหลือดร้อนแต่ถ้าเราบอกให้เขาประกาศชื่ อ, าอาแล้วเกิดเขาอ่านผิดนะก็โกรธขึ้นมานะใช่ไ <laughs> <laughs> ทุกขึ้นเลย <laughs> คุณแว่นครับบอกว่านั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างที่ปลายจมูกดวงเล็กๆปรากฏขึ้นระยะหนึ่งแล้วแสงก็หายไปแสงขึ้นเป็นนิมิตใช่ไหมหากเกิดขึ้นอีกควรกําหนดจิตอย่างไรครับไม่ต้องสนใจอย่าไปให้คําสาคัญมันเป็นความผูกแต่งของจิตเกิดขึ้นมามันจะทําทให้เราเสียเสียสติขาดสติถ้าเร า, ถ, าถ้าเราไปดูแสงเราต้องยึดติดอย่างเดลมหายใจต่อไปอย่างเดียวอย่าไปอย่าไปรับรู้อะไร มันรูรู้แล้วก็ปล่อยมันไปให้ให้กลับมาอยู่ที่ที่ลมหายใจอย่าให้ขาดตอนอยให้ลมหายใจขาดตอนถ้าเราใช้นมถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่าตามแสงอย่าไปพิจารณาแสงอย่าไปคิดเรื่องแสงมันจะทําให้เราไม่ไม่เ้าวหน้ามันจะการการทําสมาธิของเราก็จะหยุดชะงักที่ตรงนั้นมันจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ งั้นอย่าไปสนใจไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นเสียงหรือเป็นภาพอะไรก็ตามนั่งสมาธิคนว่ามองจะเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใช่เป็นของดีนะเห็นพวกนี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นครับคุณจงกนถามว่าตอนนั่งสมาธิเหมือนเห็นภาพคนเล่นเครื่องเล่นสวนสนุกแล้วตกลงมาเห็นแวบเดียวหายไปเป็นตัวเราในชาติก่อนไหมครับ นั่นแหะไม่เป็นต้องไปสนใจถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นแค่ภาพที่เราเห็นก็พอส่วนใหญ่ก็จะปรุงแต่งต่อเป็นอะไรเราเป็นชาติก่อนเป็นรุ่นเป็นนี่ขึ้นมาอีกนะปรุงแต่งขึ้นไปอีกละถ้านี่หยุดความคิดปรุงแต่งกับไปคิดปรุงแต่งแล้วมันจะสงบได้ยังไงนะอย่าไปสนใจอย่าไปปรุงแต่งรู้ว่าเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็พอเพราะนี่จังทุกขังหน้าตา คุณขสินครับเกี่ยวกับสินแปดครับข้อแปดเรื่องที่นอนแผ่นแผ่นที่ใช้ปูนอนควรมีความหนาไม่เกินเท่าไหร่ครับทั้งที่ดีก็ไม่ต้องมีเลยดีกว่านอนก็บพื้นปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสื่อแล้วกันนานๆจะเอานานๆจะเอามันเต็มที่ก็เอามันแบบเต็มที่ไปเลยดีกว่าให้มันสุดๆไปเลยไม่ตายหรอกถ้าให้เขานอนก็ดินดินกับทายก็ยังนอนกันได้เลยถึงเวลาที่ออก็ลบกัน ใช่ไหมนี่เราก็เหมือนนักรบนะนัปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นนักรบเหมนะือนนเราก็าร่งอยู่แบบนอนกระดินกินกระส่ายนะดูพระทวดงท่านไปทวดงในป่าท่ทนทาทนเอาเอาที่นอนติดตัวไปด้วยหรือเปล่าท่านไม่มีหรอกอย่าง mm hmm. มากท่านก็มีผ้าจีวรไว้ปู mm hmm. ถ้ามันพื้มันมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ล้ามันก็อาจจะเอาผ้าผ้าสังกติที่ใช้เป็นผ้าหอมมาปูแทน นอนก็เจ็บมากเลยนะครับอาจารย์ดีมันจะแน่นนอนไม่มากไงนักปฏิบัติไม่ต้องการนอนมากอยู่นะแล้วะก็นนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเนทะ่านั้นเพราะร่างกายมานะันฮะมันได้พักผ่อนหลับนอนพอมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วพอมันเจ็บมันไม่สบายก็จะไม่นอนจะลุกขึ้นมานั่งภาวนาต่อเลยคุณทิติการครับตอนนี้ฝึกรู้ลมหายใจเห็นกายขยับแต่ไม่ได้นั่งสมาธิทําแบบนี้ได้ไหมครับ ก็เป็นการําเลินสติไปก่อนยังไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ถ้าไม่นั่งนิ่งๆเฉยๆกายต้องนิ่งก่อนจิตถึงจะนิ่งได้กายต้องวิเวกก่อนกายต้องสงบก่อนจิตถึงจะสงบได้อาจารย์ครับเห็นมีบางสำนักเขาทําสมาธิแบบเคลื่อนไหวเอามือขยับไปขยับมาอย่างนี้ก็ยากครับก็ยากเพราะทํำจิตยังต้องทํางานอยู่ จิตเป็นผู้สั่งการให้ขยับเคยื่อนน่างกายเมื่อจิตทํางานจิตมันจะเข้าสมาธิได้งไงมันก็ไม่เน่งคุณลิสาครับเพราะกรรมอะไรที่ทําให้คนรู้จักหลายคนไม่มีลูกถึงแม้จะทํากิฟต์หมดเงินไปหลายล้านแต่ก็ยังไม่มีลูกจะแนะนําหรือให้กําลังใจอย่างไรดีครับเมื่อาจจะเป็นเรื่องของทางกายภาพทางด่านของร่างกายอาจจะไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ที่จะมีลูกได้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมก็ได้ เรื่องจะเรียกว่าบรรบุญก็ไดนะ้คนที่ไม่มีลูกอะป็นบุญมากกว่าคนทีม่มีลูกเพราะพระเจ้าบอกพอได้ข่าวว่ามีลูกก็บอกบ่วงเกิดขึ้นแล้วบว่บวงบ่วงที่จะรัดใจให้ต้องมาทุกกับลูกไปจนวันตายเพราไม่มีบ่วงสบายไม่มีลูกสบายกว่าคุณกณันบอกว่าฝึกอย่างไรครับให้มีสติ ด, ดับทุกข์ได้ครับ นี่แหะก็ให้ฝึกแบบที่พูดขึ้นเนี่ยให้กายกระตาสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาป๊บก็เฝ้าดูร่างกายทันทีเกาะติดไปกับร่างกายทุ ก, กเรียนบททุกการกระทําของร่างกายทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับถ้ามีสติแบบนี้นั่งสมาธิห้านาทีจิตก็รวมได้สงบได้นิ่งได้แล้วท่านจิตนิ่งจิตสงบแล้วก็จะมีพลังที่จะใช้ปัญญาสู้กับกิเลสได้ คุณเพิ่มสักครับในชีวิตประจําวันการฝึกสติรู้ลมหายใจเข้าออกกับการฝึกสติรู้เอริยาบทแบบไหนดีกว่ากันครับถ้าชอบทั้ง2แบบครับออการดูลมมันยากเวลาร่างกายเคลื่อนไหวลมมันเป็นสิ่งที่ละเอียดแล้วเวลาเราทํางานเราจะไปดูลมด้วยทํางานด้วยได้ยังไงใช่ไหมเวลาเราทำขบข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราไปดูลมมันไม่ไม่ไปดูงานที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวข้าวก็ไหม้นะั่น ยังไม่ควรดูลมจะดูลมได้ก็เฉพาะเวลาที่นั่งเฉยๆนั่นเองเวลาอื่นควรจะดูการกระทำของร่างกายจะได้ทาทุกอย่างได้ถูกต้องไม่ไม่เกิดการเิดีพลาดด้วยขับรถก็ต้องดูการขับรถไม่ใช่ไปดูลมดูลมเดี๋ยวก็รถชนกันได้เกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินก็หยุดไม่ทนันหนบไม่ทนันงั้นอย่าไปดูลมลมไม่ไวสรับดูตอนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวนั่นเอง คุณกฤิครับตอนนี้โยมมีอาการเบื่อเหตุแห่งการเบื่อคือเห็นทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดโยมต้องทําอย่างไรครับก็ต้องหยุดความอยากปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปคุณทวีชัยครับทําไมคนชอบให้อาจารย์รับรองว่าตัวเองได้ขั้นไหนครับ พ่อยังยังไม่ได้ก็เลยอยากให้อาจารย์รับรองให้ถ้าคุณได้แล้วไม่ต้องการให้ใครรับรองเพราะรู้อยู่กับใจพระเจ้าธรรมของของพระพุทธเจ้านี้เป็นสามทิติโกผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้ายังตได้คนอื่นรับรองอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ยังมีความอยากอยู่ยังอยากให้คนอื่นเขารับรองเราอยู่ ถ้ามีความอยากแล้วมันก็ไม่มีไม่สนใจใครจะรับรองไม่สรับรองก็ไม่สนใจวันเรากินข้าวอิ่มเราจะต้องมาให้ให้คนอื่นเข้ามารับรองว่าคุณได้กินข้าวอิ่มหรือยังไม่ต้องหรอกคุณรู้ว่าคุณอิ่มหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณยังไม่อิ่มคุณก็ไม่อิ่มคนอื่นจะรับเรองว่าอิ่มคุณก็ไม่อิ่มอยู่ดีอย่างถ้าคุณอิ่มแล้วคนมันก็ไม่ต้องให้ใครมารับรองให้เสียเวลาเปล่าเล่าเห็นภาพชัดเลยครับอาจารย์ กดอ้อมครับตั้งแต่ฝึกสมาธิจะปวดหัวตรงระหว่างคิ้วตรงอุณาลมจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับสติไม่พอกิเลมันต่อต้านความคิดความอยากมันเยอะต้องไปฝึกสติให้ลดความคิดความอยากให้ให้น้อยลงก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิช่วงที่นั่งสมาธิถ้าดูลมไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนเพื่อเป็นการเสริมสติขึ้นมาด้วยการสวดมนต์ จนกวา ร, รู้สึกว่าจิตเบาแล้วนั่งดูลมได้ค่อยๆกลับมาดูลมใหม่คุณลักษมิตทัสครับคนในครอบครัวไม่รักเราเลยหรือไม่เห็นคุณค่าของเราเลยยอมทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่คนข้างนอกกลับยกย่องและเคารพเรามากเพราะกรรมอะไรน่าจะแก้อย่างไรครับมันไม่ได้เป็นกรรมนะมันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการพบปะคนเท่านั้นเอง เรามาเจอ ja. คนที่เขาไม่ชอบเรามันก็เลยก็เป็นอย่างนี้เวลาเราไปนอกบ้านเราไปเจอคนที่เขาชอบเรามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งพราะกานั้นเองเกิดมาในโลกนี้เราเลือกไม่ได้บาทีอยาพบกับคนนั้นคบกับคนนี้เลือกเลือกเพลเลือกพอเลือกแม่เลือกพี่เลือกน้องไม่ได้ใช่ไหมเวลามาเกิดเนี่มาเกิดแล้วก็อาจจะเจอพ่อแม่ที่รักเราก็มีเจอพ่อแม่ที่ไม่รักเราก็มีเจอพี่น้องที่ไม่รักเราก็มี มันเป็นเรื่องปกติของโลกเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นอย่าไปหวังอะไรจับในโลกในโลกนี้ได้อะไรก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดพระเจ้าสอนให้เราหัดใช้ความสันโดษยินดียินดีนดตามมีตามเกิดได้อะไรก็ยินดีตามที่ได้มาเจอใครอยู่กับใครแบบนี้ก็อยู่กับเขาไป คุณคณิ t ฐาครับลูกทําสมาธิพอเริ่มนิ่งจะมีอาการสะดุ้งควรแก้อย่างไรครับก็ให้รูกเฉยๆแล้วก็แล้วก็ดูลมต่อไปทําสมาธิต่อไปมันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่บอกแสงบ้างเสียงบ้างอะไรโผล่ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้ดูแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็กลับมาดูดูลมแล้วพุทโธต่อไปแต่อย่านั่งเฉยๆเราไม่ได้มีพุทโธแล้วดูลมถ้านั่งแบบนั้นแล้วเดี๋ยวจิตมันจะหลอกเราได้ คุณฮิลและเฮลส์ครับเวลาที่เราทำงานได้เยอะเพราะอยากได้เงินทำให้รเราเครียดถือว่าเป็นทุกข์ไหมครับความเครียดก็เป็นความทุกข์คุณกำมณฑำครับทำไมการสวรดมนต์บทโพชฌงเจ็ดถึงเชื่อกันว่าช่วยขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ครับมันกำจัดโรคภัยไข้เจ็บท้องใจได้วลาใจทุกข์ ถ้สวดโทษชงหรือสวดบทไหนก็ได้มันก็ทําให้ใจสงบได้การทําสมาธิทําใจใสงบแล้วความเครียดความทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็หายไปกล้า จ, จะทําให้สามารถลุกขึ้นมาเดินทำอะไรได้ ท, ทั้งที่ร่างกายยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แต่ใจมันมีพลังนะใจมันเป็นนายร่างกายมันเป็นบา่าวที่ลุกขึ้นมาไม่ไหวไม่ใช่ร่างกายมันไม่ไหวนะใจมันไม่ไหวใจมันไม่สู้ใจมันทุกข์ แต่หมดกําลังพอมาส่วนบทบนไหนก็ได้โพดฌชก์ก็ได้พูดอิติปิโสก็ได้พอส่วนแล้วใจสงบมันก็จะทําให้เกิดพลังขึ้นมาคุณปณพัฒนครับมีคนบอกว่าถ้ามีแต่ข้าวจะไม่ใส่บาทเพราะว่าพอตายไปแล้วจะได้กินแต่ข้าวไม่มีกับอันนี้แนะนําเขาอย่างไรครับก็เวลาตายไเราไม่กินข้าวแล้วกิบ น, าาบนบุญบุญนี่ได้จากการที่เรา เสียสระข้าวของเงินทองทอย่างใดก็ได้เหมือนเป็นบุญเหมือนกันหมดกับข้าวอย่างเดียวก็ได้ข้าวอย่างเดียวก็ได้น้ำอย่างเดียวก็ได้มันเป็นบุญหมดเวลาดงญาเราตายไปเราไม่ได้กินพวกน้ำพวกข้าวเรากินบุญที่ได้มาจากการเสียเสียสระแบ่งปันน้ำบ้างข้าวบ้างกับข้าวบ้างแล้วแต่จะมีอะไรก็ใส่ไปไม่เป็นไรเป็นบุญทั้งนั้น ค, คุณปิ่นแก้วครับ ทำไมชาตินี้ถึงเป็นหญิงไม้ครับเพราะหาผัวไม่ได้ได้ก็ตายไปจากเราไปทิ้งเราไปมันก็เลยต้องเป็นไม้ไปเป็นยังหวะมั้างไปเจอไป เ, เ, เจอแฟนเท่ไรก็เปเจอแฟนที่มันอายุสั้นบ้างหรือได้เขบือบ้างหรืออะไรสุดแท้แต่ ค, คุณกัณิกาครับดูแลความเจ็บปวดของร่างกายปฏิบัติอย่างไรครับ คือมันมีสองอย่างเวลาร่างกายเจ็บเนี่ยเราก็ต้องรักษาร่างกายไปตามตามคําสั่งของหมอหมอให้ทําแผลแล้วทําอะไรกินยานะทําไปแล้วมันความเจ็บจะหายเมื่อไหร่นี่ก็แล้วแต่เราไปสั่งมันไม่ได้แต่ความเจ็บอีกอย่างที่เกิดขึ้นคือความเจ็บทางใจใจเราอาจจะทุกข์อาจจะเครียด อ, อาจจะกลัวว่ามันจะเป็นมากหรือจะมันเป็นอะไรมากบ่อยกว่า น, นี้ น, นี้เราแก้ได้ด้วยการสอนใจให้ให้ใจสงบถ้าใจเครียดกับความเจ็บของร่างกายก็ทําสมาธิใช้สติพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็สอนใจว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันอาจจะตายก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะตายเพราะโรคภัยอนนี้ก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะเครียดเราก็ต้องยอมรับมัน ถ้าเรายอมรับความตายได้หยอมรับว่าความเจ็บนี้มันอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะหาอีกนานเราก็พยายามยอมรับกับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์ทางใจไม่เจ็บทางใจแต่ความเจ็บทางร่างกายก็ต้อ ง, งาารักษาไปตามแพทย์ตามวิธีของหมอหมอให้ทานยาก็ทานยาหมอให้ทาอะไรก็ต้องทาไปตามที่หมอสั่งคุณพีห้าครับ กายยคตาสติต่างกับอสุภกรรมฐานอย่างไรหนูได้มีโอกาสดูชนะสูตรศพของพ่อหนูควรน้อมนำประสบการณ์นี้มาพิจารณาอย่างไรให้เกิดปัญญาครับคือการอสุภกรรมฐานนี่ก็เป็นการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามซึ่งมันก็อยู่ในหมวดของของการพิจารณาร่างกาย มันไม่ได้เป็นการใช้เป็นการเจริญสติเท่านั้นเองเป็นการเป็นการใช้เพื่อเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามเพื่อจะได้ละกามาราคะได้ส่วนกายกต า, าสตินี้คือการใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติต่างกันอันนึงใช้สำหรับเจริญสติอันนึงใช้สําหรับเจริญปัญญาคุณไก่ครับ ถ้าเราทําบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ําบุญนั้นจะถึงครูบาอาจารย์เทวดาพ่อแม่แล้วเจ้ากรรนายเวรได้ไหมครับคือไม่ต้องใช้น้ำนะํำการอุทิศบุญเนี่ยสามารถอุทิศได้ด้วยการําเนึกภายในใจพ่าเราทําบุญเสร็จเราก็อธิษฐานจิตได้เลยว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ผู้ล่วงลับไปแล้วแต่เราไม่สามารถอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราอยากให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่มีความสุข เราก็เอาซื้อของไปให้ท่านแทน değil. การการส่งบุญไปก็เพส่งความสุขให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพราะเราไม่สามารถส่งข้าวของเงินทองไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เราก็เลยต้องใช้การส่งบุญไปแทนเขารับแต่บุญได้แต่เขารับข้าวของเงินทองไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้คนที่มีชีวิตอยู่มีความสุขเราก็เอาข้าวของเงินทองไปให้เขาแทน คุณกัญญาครับเคยปฏิบัติธรรมกรรมฐานและเคยขออธิษฐานจิตว่าในร่างในกายเรามีพระธานไหมอยู่ๆก็ปรากฏเป็นเกรดเล็กๆบางๆขึ้นบนข้อมือบางมากเห็นแค่แสงแวววาวเล็กๆ เ, กเกท่าตัวเหาสรุปว่าเป็นอุปทานไปเองไหมครับก็คณต้องสรุปว่าเองกแล้วกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันคุณมีนาถามว่านอนสมาธิได้ไหมครับจะนอนภาวนาครับ ได้ถ้าอยากจะหลับนอนหลับก็นอนสมาธิไปมันจะไม่ได้สมาธิมันจะมันจิตมันจะหลับไปเสียก่อนมันจะหมดสติคุณอนุชาบอกว่าการบริจาคโลหิตและอวัยวะได้บุญไหมครับถ้าบริจาคตอนที่ยังไม่ตายได้บุญอยู่เพราะเรารู้ว่าเราได้บริจาคสิ่งที่เรารักเราหวงไปเช่นเลือดหรือไตแต่ถ้าเราบริจาคตอนที่เราตายไปแล้วเขาเอาตายเลือดเลือดของเราไปตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้เลยว่า ตอนที่เราตายนั่างกายของเราที่เข้าไปทำอะไรบ้างเราไม่รู้ความรู้สึกคือบุญคือความสมใจก็ังไม่เกิดขึ้นมาเราต้องรู้ว่าเราได้สูญเสียได้บริจาคได้ให้อะไรไปยังต้องทำตอนที่เรายังไม่ตายคุณใจดีครับอยู่กับลมเป็นช่วงช่วงระหว่างวันนึกได้ก็ทำหากทำแบบนี้จะทดแทนการ น, นั่งสมาธิได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกถ้าอยากาจะจะนั่งสมาธิก็นั่งไปเลยสิทำไมต้องมาทดแทนด้วยมันมันต้องนั่งร่างกายต้องนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆการดูลมมีสติตอนที่เราไม่ได้นั่งก็เป็นการเจริญสติเท่านั้นเองยังไม่ได้สามารถทําให้จิตสงบรวมเป็นสมาธิได้คุณเทีระครับขณะกําลังภาวนาอยู่ ยุงลายมาตกาที่แขนหลายตัวมองเห็นอยู่จะปล่อยให้มันกัดใจก็ยังกลัวเป็นไข้เลือดออกจะตีให้ตายหรือไล่มันไปจะปฏิบัติอย่างไรดีครับถึงจะสมควรครับก็ไล่มันไปแล้วก็ไปหาที่ที่ไม่มียุงนั่งต่อไปไปนําในมุ้งก็ได้จิตปรุงแต่งกับความฝันที่เราอยากเป็นเหมือนกันไหมครับอันเดียวกันนะความฝันก็เป็นความปรุงแต่งของจิตเหมือนกัน คุณนิรุตครับทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงสมาธิแบบตกหลุมตกบ่อตอนนี้ได้เพียงแต่นั่งภาวนาจิตแต่รู้สึกจิตสงบนิ่งไม่คิดเรื่องอื่นเท่านั้นครับก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นกำลังของสติที่ยังหนึ่งให้จิตตกหลุมตกบ่อยังไม่พอคุณแจ็คบอกว่าหลวงปู่ทำแสดงปฏิหารสร้างเหรียญคนบูชาแล้วผิดวินัยไหมครับ ก็ไม่ทราบจะผิดวินัยหรือเปล่าเพยงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราให้พระทำกันสอนให้พระปฏิบัติให้มนุษย์มรรคผลนิพพานแล้วก็เอาเอาความรู้ที่ได้จากการนุษย์นี้มาสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้ผู้ได้บุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปคุณอ่างเป่ากาเวียนถามขณะที่เราเกิดโทสะ ที่กลางอกเห็นอาการของมันกระเพื่อมจะทาอย่างไรดีครับรู้สึกว่าถุกครับวิธีกาโทดสอบคือเราต้องให้อภยัยบุคคลที่เขาทาให้เราโกรธขึ้นมาหรือว่าถ้าเรายังไม่สามารถให้อภัยได้ก็ใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธพอเราไม่คิดถึงเราเดิมเรื่องนั้นไปความโกรธก็จะหายไปชั่วคราวถ้าเรากลับไปคิดใหม่เราก็ยังจะโกรธขึ้นมาได้ เราอยาให้ความโกรธนั้นหายไปอย่างถาวรเราก็ต้องให้อภัยเขาอย่าจองเวรจองกรรมกันคุณไพรัตรครับการระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกละครับอันนี้ก็เป็นมาณานุสติเป็นการใช้ความตายเป็นที่ตั้งของสติแทนน่างกายนะแต่ต้องระลึกทั้งวันตลอดเวลาอย่างที่พระเจ้าสอนาอะนนอ์ว่าต้อระลึกทุกลมหายใจเข้าออหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้นึกถึงนี้ทุกลมหายใจออก็นี่ว่าจะการนึกถึงความตายถามว่าถ้าทํางานเยอะเพราะอยากได้เงินอย่างนี้เป็นความโลภไหมครับถ้าทําเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้เราเอาเท่าที่จําเป็นก็ไม่เป็นความโลภอย่างพระก็ต้องเป็มิจฉาบรดการการทํางานของพระก็คือการบาิจฉาบรรา มินบายก็ไม่ให้เอามากกว่าที่จําเป็นจะต้องรับประทานได้รับประทานถ้าเขาได้ได้รับมามากเพราะว่าต้องฉลองศรัทธาเขาก็รับมาแต่เราก็ไม่สะสมเก็บเอาไว้ไม่หาประโยชน์จากการได้ทรัพได้ข้าวของที่เขาใส่บานมาให้เอาเท่าที่พอเลียงปกักเลี้ยงท้าไปได้ในแต่ละวันก็พอถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าโลคมันถือว่าเป็นการเลี้ยงดูร่างกายด้วยความจําเป็น คุณโน้ตครับการบริการพุทโธเป็นกายคตาสติหรือไม่ครับไม่เป็นพุทธานุสติใช้แทนกันได้ใช้แทนกายะคตาสติได้ใช้แทนอานาปานสติได้นในกลุ่มอนุสตินี้มีอยู่สิบสิบกรรมฐานสิบอย่างด้วยกันที่เราสามารถใช้ในการเจริญสติได้เช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติมารานุสติ กายะกตาสติแล้วก็อนาปนาสติเป็นต้นยังมีอีกสองสามอันจาไม่ได้ถ้าอยากจะรู้ลองไปหาค้นหาดูในกรรมฐานสี่สิบดูเขาจะมีแบ่งไว้เป็นกลุ่มกลุ่มอนุสติจะมีอยู่สิบอย่างด้วยกันคุณมดครับทำสมาธิมันเข้าสู่ความว่างลมหายใจหายไปพอจะดูลมลมหายใจพอไปคิดว่าลมหายใจหายไปแล้วอย่างนี้ ไม่ต้องคิดให้ลูกเฉยๆว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีมมหายใจก็ดูความว่างไปคุณสลาวุธครับแม่เพิ่งจะเสียไปรู้สึกว้าวเหวคิดถึงท่านคิดถึงความดีของท่านที่อยู่ด้วยกันมาทำใจไม่ได้เลยเมื่อคิดถึงก็ดูรูปท่านกราบไหว้รูปท่านทำแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ต้องมาพิจารณาตามคำสอนพระเจ้าบอกว่า ก็แลาเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาทุกคนร่วมพ้นความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้สอนให้เราพิจารณาอยู่เรื่ อ, ๆอยๆเดี๋ยวตาใจใจก็จยอมรับความจริงได้เราก็จะไม่เศร้าอาจารย์ครับแล้วการเอารูปมาดูอย่างนี้ดีไหมครับดูมันก็แสดงว่ายังคิดถึงอยู่ยังอยากจะให้เขากลับมาอยู่อย่าไปดูดีกว่าเขาตายมาแล้วผ่านไปแล้ว ก็ให้สอนใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องมีการพัดพ่าจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการพัดท่าจากการไปไม่ได้การทําสมาธิโดยกําหนดลูกแก้วใสและองค์พระใสที่ศูนย์กลางกายทําแบบนี้จะเกิดผลอย่างไรครับก็แบบในการดูรมเนี่ยเพียงแต่แทนที่จะดูว่มก็เป็น ล, ลูกแก้วใสแทนอันนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มของกสินก็ได้ กรสินิ์กรรมฐ า, านสี่ินี่มันมีมีหลายหลายหลายอารมณ์ด้วยกันที่เราสามารถใช้ในการเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นเครื่องกริญลสติให้จิตสงบได้ตอนตายบุญและบาปจะมาดึงเราไปบุญมากไปสุขติบุญน้อยไปทุกขตินี้คือณนะโมเมนต์นั้นบุญบาปจะมาแย่งชิงเราอัตโนมัติหรือขึ้นอยู่กับการกำหนดจิตสุดท้ายของเราครับ ออกําหนดจิตสุดท้ายนี่มันไม่สามารถไปไปไปทําให้บุญกับบาปมันหายไปได้บุญกับบาปนี้มันจะมีพลังมากกว่าการที่เราจะมากําหนดจิตสุดท้ายย่อมเวลาเราสามารถกําหนดจิตสุดท้ายให้ไป น, นิพพานได้บุญกับบาปก็จะไม่สามารถที่จะมาะมามีอิทธิพลต่อใจของเราได้ดูใจดูความคิดได้ไหมครับในอริยบทสี่ครับ ดูความคิดนั่นใจมันยังไม่สงบมันจะฟุ้งยิ่งเราต้องการทําใจใสงบเราต้องการหยุดความคิดไม่ใช่ดูความคิดถ้าดูความคิดแล้วหยุดความคิดไม่ได้ก็อย่าไปดูมันคุณแจเฮียงครับตอนนี้หนูมีปัญหาที่บ้านหลายเรื่องเพราะบ้านเป็นครอบครัวใหญ่พี่น้องไม่ค่อยรักการลูกหลานก็เหมือนกันบางทีเกิดอาการเครียดนอนไม่หลับต้องทําอย่างไรครับ ว่าเราอยากให้คนนั้นคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะเครียดเราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราดูแลตัวเราคนเดียวก็พอเราทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็พอส่ ว, วนวนอื่นเขาจะทาหรือไม่ทเนี่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปอยากพอไปอยากเล้วมัจะทาให้เราเครียดขึ้นมาล้วห้ามเขาไม่ได้เราบางังคับเขาไม่ได้ นั่งสมาธิแล้วตอนออกจากสมาธิแล้วบางครั้งรู้สึกง่วงและเพลียทั้งวันเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นธรรมดามันบางทีถึงเวลาที่ต้องนั่งการการพักผ่อนก็พักผ่อนได้คุณเวรี่ครับถ้าเราอยากถือศีลแปดแบบยังคลองเรือนเราแค่ไม่สัมผัสกายสามีคือมีระยะห่างแยกห้องนอนนอนพื้นแบบนี้ได้ไหมอยากลองถือศีลแปดในวันพระครับ ก็ข้อสำคัญก็คือไม่ให้ร่วมเพศกันทั้งนี้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวมันอาจจะเป็นไฟมันาจะลุกขึ้นมาก็ได้แต่มันไมันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่ามันถ้ามันเคยร่วมเพศกันมาเจ็ดวันนี่เอ๊หกวันอีกวันหนึ่งจะเว้นก็คงจะไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราทําเป็นเดือนเดือนมันปีปีนี้ยมันอาจจะพอมันอยู่ห่างกันมากพอมันจะเห็นหน้าเห็นตากันมากจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ได้ นี่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้หรือเปล่ากราบขอเทคนิคในการเลิกยึดมั่นตัวตนครับก็ให้ดูว่าตัวตนนี่มันไม่มีมันเป็นความคิดปรุงแต่งเราคิดขึ้นมาเองความจริงก็คือร่างกายก็เป็นการดินน้ํำลมไฟธาตุสี่ใจก็เป็นท่านรุรู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดนอนไรตัวตนไม่มี มันเป็นสมมุติที่เราสมมุติกันขึ้นมาเองวิธีที่าละตัวตนก็ทําตัวให้ต่ำไว้ทาตัวให้เป็นภ้าคีริว้วถ้าอยากจะใช้ภ้าคีริ้วเอาไปเช็อะไรก็ต้อยินดียินดีให้เขาก็ให้ทําตัวให้ต่ําที่สุดเพื่อเพื่อกําจัดตัวตนแตก กว่าจะกำจัดได้จริงๆก็คือพระอนาคาาก็ยังมีตัวตนอยู่เลใช่ไหมครับนอกจากพระอารมันถึงยามันถึงยารู้ทันตัวตัวมานะที่เกิดจากความคิดปุุงแต่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราถ้าสติปัญญา ย, ยังเข้าไปไม่ถึงจิตนเนจะเข้าจะเข้าไม่ทันตัวนี้ คุณกนกครับการรักษาศีลข้อหนึ่งถ้ามดขึ้นอ่างล้างจานแล้วจําเป็นต้องล้างจานต้องไล่มดในอ่างให้หมดก่อนหรือไม่สีถึงจะไม่ขาดครับก็อย่าไปทาให้มันตายกัแล้วกันทำยังไงก็ได้เยือกที่ล้างจานไปก็ได้เปลี่ยนที่ล้างจานไปไปล้างที่อื่นแทนถ้าเราอยากจะรักษาศีลคุณเดือนครับระหว่างนั่งสมาธิขอพอรได้ไหมครับ มันพรมันขอไม่ได้อยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าเราต้องทําเองพอรเกิดจากการกระทําของเราไม่ได้เกิดจากการพูดให้พรเราการให้พรจากพูดเป็นเพียงแต่การแสดงความหวังดีทนั้นเองเช่นขอให้คุณบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ไปสวรรค์ให้คุณนั่งสมาธิแล้วจิตรวมอันนี้เป็นการให้ให้กําลังใจใเท่านั้นเองแต่ผลไม่เกิดจากการให้ให้พรของเขาผลมันจะเกิดจากการกระทําของเรา ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องขอพอรหรือให้พรให้เรากังวลกับการสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราต้องการเท่านั้นเองคุณสลาวุธครับกระดูของพ่อแม่ที่ตายไปแล้วเราเอามาเก็บไว้ได้หรือเปล่าครับหรือควรเอาไปไว้ที่ไหนครับแล้วแต่เราแล้วแต่วันจะพอใจจะเก็บไว้ก็ได้จะเอาไปลอยอังคารเอาไปฝังดินที่ไหนก็ได้อเขาเราก็ไม่อยู่ช่อง อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความพอใจไม่มีไม่ไ ม, มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นจะเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่เก็บไว้ใี่ไหนเพราะมันก็เป็นแค่ดินนะมันธาตุดินนึงกระโดก็คือธาตุดินเดนี้นั่งสมาธิแล้วเหมือนจะตื่นตื่นหลับๆแบบนี้ถือว่าขาดสติใช่ไหมครับใช่ส ต, ติมีน้อยมันถึงจะทาให้หลบเค่หคุณวันดีครับ คนที่ไม่ฝันเลยปีหนึ่งแทบไม่เกินหนึ่งถึงสองครั้งมันหมายความว่าเราไม่คิดเยอะใช่ไหมครับใช่หรืออาจจะฝันแล้วเราไม่รู้ก็ได้วันที่ฝันแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเราฝันไปก็ได้อันนี้ไม่แน่นะครับ <c oughs> คุณนัทธาครับตอนนั่งสมาธิท่องพุทโธกับดูลมอย่างเดียวอย่างไหนเข้าสมาธิได้ง่ายกว่าหรือแล้วแต่จลิตของแต่ละคนครับก็แล้วแต่จลิตน้อ แต่พระอาจาไม่ได้สอนให้ใช้ทั้งสองอย่างใชหชันใหญ่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่คนที่ปฏิบัติถ้าคิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมีกำลังไม่พอต้องเอาสองอย่างก็ถ้าได้ผลก็โอเคแล้วแต่ต้องดูที่ผลก็แล้วกันคุณ a อเคครับดูใจดูความคิดได้ไหมครับในอริยบทสี่ อ, อันนี้มันําแล้วคุณสัมภารครับ คนในบ้านขับรถทับลูกแมวตายไปสองตัวโดยที่ไม่เห็นว่าลูกแมวแอบอยู่ใต้ท้องรถที่จอดสตาร์ทอยู่คนในบ้านที่เป็นผู้ทับแมวรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจแบบนี้คนในบ้านในครอบครัวจะต้องร่วมรับบาปกรรมด้วยไหมครับไม่บาปครับเพราะเราไม่มีเจตนาอนุบัติเหตุคุณอ่อนครับผู้เริ่มฝึกควรสวดมนต์บทไหนดีครับ ส่วนบทไหนก็ได้ที่จะทาให้จิตเราเมตติทำให้จิตเราสงบเลือกสวดได้ทุกบทที่เราต้องการจะสวดคุณสีดาพัทครับควรทำอย่างไรดับกรรมคุณดับลงได้ครับกา่มาคุณมันดับทไมไม่ได้เราเราดับคือกรรมมารมารมฉันทะได้ความยินดีในกรรมคุณเรดับได้เลอกยินดีโดยการเห็นว่ากรรมคุณเป็นของไม่เที่ยง ที่อาจจะเปลี่ยนจากการให้ความสุขเรากลายเป็นให้ความทุกข์กับเราก็ได้ถ้าเราเห็นการมคุณไม่เที่ยงเปลี่ยนได้เกิดได้ดับได้มันก็ทําให้เราดับการมฉันทะคือความยินดีในกรรมบุญได้แต่การมคุณที่เราเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเหมือนดินฟ้าอากาศ คุณลักษณาบอกว่าเราไม่เคยให้ร้ายใครและไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่ทําไมมีคนไม่ชอบเราครับก็เป็นธรรมดาในโลกนี้คนก็มีทุกรูปแบบคนที่ชอบเราก็มีคนที่เกลียดเราก็มีคนที่เฉยๆกับเราก็มีเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกเราต้อยอมรับความจริงอันนี้เราจะได้สบายใจใครก็ไม่ชอบเราก็ยอมรับว่ายินดีใครที่ชอบเราก็ยินดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่กันไป คุณอัมพรครับลูกเถียงและเสียงดังกับเรามากเรามานึกน่าจะเป็นกรรมที่เราเสียงดังกับแม่มาก่อนแม่เสียชีวิตแล้วเราจะทําอย่างไรจึงจะหมดกรรมนี้ได้ครับมันเป็นเป็นเรื่องของการสั่งสอนมากกว่าแล้วเราไม่สั่งสอนลูกตอนที่เขาเป็นเด็กให้เขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเขาก็จะทําตามอารมณ์ของเขาท่านเองเมื่อเราเมื่อเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจท่านเองทำใจว่าเราไม่ได้สอนเขา เขาก็เลยทําตามอารมณ์ของเขาเราะเป็นคนแบบนี้เราจะไม่ให้เขาเป็นอีกแบบหนึ่งก็ เ, เป็นไปไม่ได้เขาเป็นกล้วยอย่าอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มเพราะมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นกล้วยของเขาใจก็จะไม่ทุกข์คุณกันตนาครับไม่ค่อยได้ตักบาตแต่หากมีโอกาสจะเลี้ยงคนอะไรได้บุญกว่ากันครับได้เท่ากันอยู่ที่การให้ให้มากให้น้อย ให้มากก็เลยบุญมากให้น้อยก็ได้บุญน้อยคุณสราวุธครับคำพูดบอกว่าไม่กลัวตายแต่พอป่วยเป็นโรคไร้แรงมาทำไมจึงใจจึงเป็นทุกข์มากยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับความตายยังห่วงลูกหลานกับสิ่งต่างๆยังอยากจะหายจากการเจ็บป่วยอยู่จะทำยังไงจึงจะทำใจได้ครับก็อย่างที่บอกนี่ต้องมาฝึกสตินั่นสมาธิทาใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะทาใจ ให้ไม่ให้อยากได้หยุดความอยากได้อย่างตอนนี้เราไม่มีสติไม่มีสมาธิความอยากมันก็เลยมันก็เลยเราหยุดไม่ได้ตอนที่เราไม่เป็นอะไรนี่ความอยากมันไม่โผล่เราก็พูดได้ว่าผมไม่กลัวเจ็บผมไม่กลัวตายเราตอนที่เราพูดกันได้ใช่ไหมเพราะมันยังไม่เกิดความเจ็บยังไม่เกิดความตายอะไรพอเจอความเจ็บเจอความตายอจริงความอยากไม่ตายไม่ยากอยางไม่เจ็บมันจะโผล่ไม่มาทันที อ่ะตนั้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราก็จะหยุด ไ, ไม่ได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิจะสามารถเราหยุดหยุดความอยากได้นะตอนนั้นเวลาเราเจ็บไข้ได้ปเปิดเลาจะตายเราจะเฉยเฉได้ไม่ทุกข์กับมันได้คุณอมครับทําไมปฏิบัติธรรมแล้วเพื่อนค่อยๆหายไปมาแล้วจากไปทั้งที่เป็นเพื่อนรักครับก็เพราะเราไม่ทําแบบเขาแล้วไง เราเคยกินเล่าด้วยกันพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เลิกกินเล่าไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนได้วยกันดตอนนี้เราก็ไม่เที่ยวแล้วเขาก็เลยไม่รู้จะมาคบกับเราทําไมที่เขามาคบกับเราเพราะเขาจะได้มีเพื่อนเที่ยวเพื่อนทําอะไรร่วมกันแล้วบางทีเขาทำคนเดียวแล้วมันทำไม่สะดวกไม่สบายถ้าเรามีเพื่อนทำนร่วมกันเขาก็เลยต้องไปหาเพื่อนที่ทํากิจกรรมแบบเดียวกับเขาแต่ถ้าเขาสนใจในทางปฏิบัติก็อาจจะไปด้วยกันได้ อจะไปยรงไยงเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ถ้าเราชอบของกันเดียวกันถ้าชอบนั่งสมาธิก็ไปนั่งสมาธิด้วยกันชอบไปวัด้าไปวัดด้วยกันได้แล่้วก็ชอบกินหน้าเราชอบไปวัดก็ไปด้วยกันไม่ได้คุณอัญชลีครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับถ้าอุทิศให้กับผู้ล่วงลับคนเดียวผู้นั้นจะรับบุญไปเต็มๆคนเดียว แต่ถ้าในเราอุทิศให้หลายคนเจ้ากรรมในเวรแต่ละคนนั่นหมายถึงส่วนบุญกุศลของเราในครั้งนั้นๆจะหารตามจํานวนคนที่เราต้องการอุทิศให้หรือเปล่ากังวลว่าถ้าอุทิศให้กับหลายคนเยอะเกินไปแต่ละท่านจะรับบุญแค่นิดเดียวอาจจะหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นหรือน้อยกว่านั้นครับเอปกติเขาอุทิศให้คนเดียวแวนะเวลาทําบุญเขาไม่ได้อุทิศแบบให้กระจายไปหมดมีเงินน้อยบาทไปให้คนพันบาท ใ, ให้ให้ให้คนพันคนมันก็ได้คนละ สิบสตางค์นั่นเองคำ ถ, ถามที่สองครับเทวดาเจ้าที่ที่ปกปักรักษาบ้านถ้าเราอที่ส่วนบุญส่วนกุศลท่านได้รับไหมครับถ้าเป็นเทวดาท่านมีบุญมากถ้านเป็นท่าไม่มาเรารับส่วนบุญท่านจะอนันตโมทนาบุนขอบใจที่ส่งบุญมาให้เขาแต่เขามีบุญมากกว่าบุญที่คนส่งมาให้เขาบุญที่ส่งไปนั้นจิ๊บจ่อยนิดเดียว ร่างกายเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนป่วยเป็นคนแก่พิจารณาเป็นอนิจจงว่ามันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจะเกิดหรือเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้และอนัตตาเป็นเหตุของอนิจจงหรือไม่ครับอนัตตามันก็เป็นเป็นธรรมชาติของของของร่างกายคือมันเป็นเป็นมันเป็นของที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ การให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้บุญไหมครับได้ได้ให้คนให้สัตว์ได้บุญนะั่นแหลคุณปุ้ยครับครั้งก่อนถามเรื่องได้ยินเสียงดังตอนนั่งสมาธิแล้วตกใจพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่สมาธิแต่คือเจริญสติตอนนี้สงสัยว่าเข้าสมาธิได้สักกี่ครั้งจากที่คิดว่าทําได้ดีจนรู้สึกว่ากลับมาเริ่มที่อนุบาลครับนั่นแหละก็ทําไปเลย ทำไปเรื่อยๆจิตโวนถึงจะได้สมาธิจิตเท่านิ่งสงบอยู่ในความว่างหรือแต่ตัวรู้สัต์แต่ว่ารู้นะนะถึงจะเรียกว่าสมาธิก็ต้องเกิดความรู้สึกมหัศจรรใจกับความสงบเพราะมันความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้ายังไม่เจอขั้นนั้นก็ยังแสดงว่าไม่ใช่เป็นสมาธิจริง คนรอบข้างอยากให้มีคู่แต่เราไม่อยากมีคู่ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่จะมีแบบนี้เราผิดปกติไหมครับคนแต่ละคนมันก็มีความชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบมีคู่บางคนก็ชอบอยู่ยคนเดียวเหมือนเรื่องไม่ไม่เสียหายเท่านั้นเองเรียว่าผิดปกติแล้วมันก็นแล้วแต่ว่าเราอะไรแบบเป็นเกณฑ์ว่าอะไรเป็นปกติ ถ้าการมีคู่เป็นการเป็นเป็นการปกติการไม่มีคู่ก็ผิดปกติพระที่บวช น, นี่ก็ผิดปกติคนที่มาบวชเป็นพรานี่ก็ผิดปกติทั้งหมดแต่ถ้าคนนี้ถ้าเราจะเอาการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องปกติคนที่มีคู่ก็กลายเป็นเรื่องไม่ปกติไปก็อยู่ที่เราจะวัดเราจะเอาเอะไรเกณฑ์มาวัดว่าอะไเป็นปกติอะไรไม่เป็นปกติคุณสุธาทิพย์ครับ ปฏิบัติแบบฝึกดูกายเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจําวันต่อมามีสติเห็นการเคลื่อนไหวอมันก็ต้องเห็นตั้งแต่เริ่มดูแล้วดูเคลื่อนไหวตลอดเวลาใจไม่ทิ้งร่างกายใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ให้อยู่กับเรื่องร่างกายตลอดเวลาคน A เอก้าห้าครับใช้วิธีลืมตามองพระพุทธรูปพุทโธ ท, ที ท, ทีให้ใจสงบแทน ได้ผลอานิสงส์เท่านั่งสมาธิหลับตาจนจิตสงบไหมครับก็ลองทําดูเลยคุณเอกชัยครับเราจะปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนครับที่จะสามารถปิดอบายภูมิได้ครับก็ต้องขั้นพระโสดาบันถึงจะสามารถปิดประตูอบายได้อย่างสมบูรณ์แต่ถ้ารักษาสิ่งท่าได้ตลอดชีวิตก็โอกาสก็ะทีบายอบายก็ไม่ค่อยมี นอกจากว่าถ้าเกิดบุญถ้าเกิดเป็นรักษาระวบงทีบางครั้งเกิดอุบัติเหตุเกิดลูกแก่โทสะโมหะแล้วไปทําบาปครั้งเดียวอะจะทํายังปล่อยให้ไปอภัยไดแ้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันนั่นจะไม่ยอมทําบาปโดยเด็ดขาดแม้ที่ต้องเสียชีวิตก็ยินดีที่ชระชีวิตพระรักษารักษาศีลธรรม คุณแอนครับใส่บาดกรวดน้ําแผ่เมตตาบ่อยๆให้กับสัตว์ที่เราเคยรังแกเขาตอนเรายัางเด็กๆเขาจะรับรู้ได้ไหมครับมีที่เขาว่ามารอเข้ามารอรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่มารอรับเขาก็ไม่รับรู้เขาอาจจะไปเกิดไปไปในอที่ไหนนะแล้วก็ได้คุณโดราครับมีคนแนะนําให้เอารูปคนตายที่ใช้ในงานศพไปลอยอังคารไม่ควรเอากลับบ้านเพื่อดวงวิญญาณเขาจะได้ไปเกิดไม่ต้องห่วงทางบ้านจริงไหมครับ ไม่จริงรอ่ะลูกก็เรื่องของูปไม่เกี่ยวนงเวียนญาณงเวียิญาณเข้าไปตามบุญตามบาปฝันว่าเหาะได้ตลอดคือจิตปรุงแต่งใช่ไหมครับก็เหาะได้จริงหรือเปล่าไม่ได้จริงก็เป็นการคิดปรุงแต่งของจิตเลยคุณมาลีรัตครับ เวลาทําบุญพระเทศจบแล้วสวดยะถาวารีวหาจบแล้วอุทิศส่วนบุญต่อได้ไหมหรือหยุดแค่นั้นครับเราอุทิศส่วนบุญเนีตลาดเวลาไม่ว่าจะพระจะสวดหรือไม่สวดก็ตามมันไม่เกี่ยวกันเรื่การสวยของพระแต่อย่างไดคุณเจนบอกว่าเอาผมของแม่ที่ตายไปแล้วมาแขวนที่คอดีไหมครับ เาเแต่คนอ่ะถ้าคนว่าดีก็ดีว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีการมรักการครับใจที่ฝึกสมาธิมากจนทรงภาวะแบบในสมาธิได้แม้จะไม่เข้าสมาธิภาวะนั้นจะมีโอกาสเสื่อมไปไหมครับมีทางรักษาภาวะนั้นให้อยู่กับใจไปตลอดไม่เสื่อมได้ไหมครับว่าต้องจราญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถึงจะรักษาสมาธิเราได้มาได้ถ้าไม่จรัญสติ ต่อไปก็จะไม่มีจะไ ม, ไม่สามารถเข้าสมาธิได้อเรียกว่าจิตเสื่อมหรือสมาธิเสื่อมเพราะขาดเหตุที่ทําให้เกิดสมาธิคือสตินันต้องเจริญสติตลอดเวลาพระเจ้าบอกว่าสติจําเป็นในทุกกรณีอย่าขาดสติทำอะไรทุกอย่างต้องให้มีสติตลอดเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนตกผวังอย่างนี้ให้ดําเนินการปฏิบัติอย่างไรต่อครับ ก็ดูต่อไปเพราะนั่งต่อไปให้มีสติอยู่ถ้าตกภรวังแล้วไม่รู้เรื่องมันก็แสดงว่าหลับไปเข้าปรวังหลับไปคุณอ่งุ่นเปรี้ยวครับพระสงฆ์หยิบขนมจากโรงทานใส่บาตรอย่างนี้ถือว่าผิดไหมครับถามเช่นนี้ถือว่าเป็นการตําหนิพระสงฆ์ไหมครับก็เป็นของพระสงฆ์หรือเปล่าถ้าไปหยิบของที่ไม่ใช่เป็นของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ผิดเพราะเอาของที่เจ้าของก็ยังไม่ได้อนุาญาตให้ แล้วเขาบอกว่าถามอย่างนี้ถือว่าตําหนิพระไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่เจตนาเราแล้ ว, ลวการตำํำหนิท่านหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาจะตําหนิมันก็ไม่ตําหนิคุณไก่บอกว่าสวดมนต์บทคาถาป้องกันภัยสิบทิศสามารถป้องกันภัยได้จริงไหมครับไม่จริงรอ่ะนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปมีประเทศเราก็ไม่ต้องซื้อวุ้นอะไรมาป้องกันภัยนั่งสวดคาถาสิบทิศกัน ภายนต่างๆก็ไม่สามารถเข้ามาได้คุณเอกชัยครับคําที่ว่ากายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือความหมายว่าอะไรครับก็กายก็คือธาตุสีในน้ำนะลมไฟจิตก็คือเพืรู้ไม่ใช่มีตัวตน เรามาสมมุติขึ้นมาเองว่าเป็นตัวตอ น, เ ป, นเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเป็นสัตว์ในราชารเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายอั่นคือในการสมมุติในการแปะชื่อบนธาตุสีคือร่างกายแล้วร่างกายนี้เป็นชายแล้วร่างกายนี้เป็นหญิงมีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้อันนี้ในการสมมุติติดป้ายครับม่กับมกับเหมือนกับขุนอุ่นยนต์ ก็แล้วเราผลตหุ่นยนต์เสร็จเราก็ตั้งตั้งชื่อเองเหมือ น, นี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อในายกอหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อในขอเราจะได้รู้ว่าเราพูดถึงหุ่นยนต์ตัวไหนนั่นเองร่างกายเราก็เป็นเหมนหุ่นยนต์ดีๆนี่ถ้ามาจากธาตุสี่ดินน้าลมไฟจิตเราก็เป็นผู้รู้ธาตุนู้ผู้คิดธาตุเองผู้รู้ผู้คิดธาตุเองไม่ได้มีตัวตนทําสมาธิแล้วหลับไปได้บุญไหมครับไม่ได้ คุณ KFC ครับถ้าเราภาวนาตายให้ระลึกอย่างไรครับก็นึกคาว่าตายไปเรื่อยๆตายตายตา ย, ตายเราต้องตายเราต้องตายก็ได้ทั้วันหนึ่งเราต้องตายมีมีพ้นความตายไปไม่ได้อย่างที่พระเจ้าสอนให้พิจารณาคามตายว่าเราเกิดมาแล้วต้องต้องมีความตายเป็นธรรมดาร่พ้นความตายไปไม่ได้ก็ท่องบนทนี้ไปทั้งวนันทั้งคืนก็ได้ด้วยบาใจยอมรับได้ ถ้าใจยอมแล้วใจไม่ปฏิเสธความตายใจก็จะไม่กลัวตายต่อไปคุณแตงโม ค, ครับเห็นคนอื่นทําบุญเราร่วมอนุโมทนาบุญเราได้บุญด้วยไหมครับมันไม่เกี่ยวกับเราไปโน่น น, นน่นทำบุญทําไมครับว่าอนุโมทนาบุญนี้หมายถึงเวลามันเกี่ยวข้องกับเราเช่นลูกน้องเราขอลาไปงานศพห้าวันอย่างเงี้ยขอลางานไป ถ้าเรานุโมทนาก็ไปได้ยินดีไม่ไม่ห้ามแต่ถ้าเราไปไม่ได้เพราะทาให้เราเสียงานเสียการเสียไรายได้ถ้าไปต้องลาออกอย่างนี้เรเรียกว่าไม่ร่วมอนุโมทนาบุญแต่ถ้าแต่ถ้ า, าจะร่วมอนุโมทนาบุญก็เขาขอลาไปงานสบก็ปลยเข้าไ ป, ไปแสดงความยินดีเนื้ออาจจะฝากเงินไปทําบุญกับเขาด้วยก็ได้เคยมีเคสไม่ใช่นี้เคยเรามีเรื่องคนทํางานโรงแรมเงี่ยขอลา ไปงานศพพ่อแม่ทัง้งยังทางโรงแรมบอทถ้จะไปก็ต้องลาออกมันทำปห้เขาขาดคนงานไปเขาก็ต้องการเปลี่ยนพนงานใหม่แทนมาทดแทนถ้าจะไปก็ลาออกไปแล้วเขาจะได้จ้างคนอื่นมาแทนอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ อ, อนุโมูทนาถ้างอนุโมทนาก็ต้องมีแสดาความชื่นชมเยินดีกับการทำมูญของเขาส่งเสริมเขาช่วยเขาให้เขาได้ทํามุลตามที่เขาปรารถนา ยังไม่ว่านุโมทนาไม่ใช่เห็นใครนยิ้วเป็นต่อข่าวัดก็อนุโมทนาสาธุสาธุมันไม่เกี่ยวกับท่าหน่อยต้องมีแอคชั่นใช่ไหมครับอาจารย์ต้องมีแอคชั่นมันถ้ามีการเสียสละที่เกิดจากการเราต้องเสียสละอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะได้เกิดความสุขใจที่เราได้ทําทำทำสิ่งนี้ไปที่เราไม่ได้เสียสละอะไรเพียคนเขาเดินไปก็สาธุสาธุอนุโมทนาเหมือน เป็น่เป็นเรื่องปากเปล่าพูดไปนั่นเองคุณเอกชัยครับการถือศีลแปดไม่สามารถร่วมเพศกับภรรยาได้แต่หากเสด็จความคข้ด้วยตนเอง ผ, 8, อ 3, ผิดเสศีลแปดข้อสามผิดไหมครับิีนแบบนดในไม่ได้ห้ามข้อนี้อยู่อันนี้ร่วมห้ามแต่เฉพาะถ้าเป็นพระจะมีข้อที่เป็นสังฆาพิเศษอันนี้เป็นศีลของพระที่เป็นศีลละเอียดกว่าศีลขงองโยม ทียมยมเพ็นแต่หาไม่ให้โน้มเพ่กันนะคุณลัสบอกว่านั่งสมาธิแต่จิตไม่นิ่งต้องทำอย่างไรครับสติไม่พอต้องฝึกสติให้มากมากกว่ากว่านี้ถ้ายัางไม่นิ่งก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้คุณบีครับถ้าเราจะตั้งใจภาวนาแต่สนใจอยากไปทำงานจิตอาสาแบบประจำจะเป็นอุปสรรคในการทำจิตรวมไหมครับ การทำทานกับการภาวนานี้มันจะขัดกันถ้าเราอยากทำภาวนาแล้วก็งดการทำทานไว้ก่อนเพราะเราจะได้ทุ่มเทเวลาให้เต็มที่กับการภาวนาเพราะการภาวนานี้ถ้ามันขาดตอนแล้วมันจะทําให้ไม่เกิดผลเกิดผลได้ยากกว่าการทําภาวนาโดยไม่ขาดตอนถ้าเราทําภาวนาแล้วก็อย่าไปทําอย่างอื่นเลยทุ่มเทเวลาให้กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวผลมันถึงจะเกิดได้ง่าย ถ้าเราทํำครึ่งหนึ่งทาบวนานครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปทําจิตอาสาครึ่งหนึ่งมันก็วิ่งไปวิ่งมาแบบนี้มันโอกาสที่จิตจะสงบมันยากคุณสุภาบอกว่าอยู่คอนโดมีห้องเดียวแต่มีพระพุทธรูปตั้งบูชาอยู่ในห้องถามว่าตั้งได้หรือไม่ครับได้จะตั้งที่ไหนก็ได้ขอให้มันเป็นที่มันดูน้าเหมาะสมให้ความเคารพท่านเองตั้ง ทำยิ่งสูงๆูงเรก็ตั้งไว้ที่ไหนสักมุมหนึ่งก็ได้คุณพิษณุ ค, ครับนั่งสวดมนต์และนั่งสมาธิบนเก้าอี้ได้ไหมครับได้จวนั่งที่ไหนก็ได้ทันั ค, ครับคุณแอปเปิลครับไม่ค่อยได้ไปวัดทําบุญแต่จะหาเวลาปฏิบัติธรรมสามวันสามคืนปีละสองครั้งและจะฟังธรรมะมบ่อยๆเราได้บุญไหมครับก็ได้ได้บุญคนละชนิดกัน บุลทำทานก็เป็นอย่างหนึ่งบุลที่น่าจากการฟังเทศก็เป็นอย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันบูลคนละชนิดกันแต่ก็ได้บุลเหมือนกันคุณชาครับนั่งสมาธิต้องพิจารณาอะไรบ้างครับไม่พิจารณาเลยไม่ให้คิดอะไรเลยให้ให้ใหยุดความคิดให้ได้ให้ให้รู้เฉยๆให้เพ่งอยู่ลมเฉยๆแล้วให้อยู่กับพุโทโธเฉยอย่างเดียว คุณเจียบครับก่อนนั่งสมาธิต้องสวดมนต์บทอะไรก่อนไหมครับแล้วแต่เราถ้าเราคิดว่าสวดมนต์จะทาให้นั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นก็สวดมนต์ไปก่อนแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยโดยที่ไม่ต้องสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้คุณจิรวีครับสวดมนต์อย่างเดียวแต่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยได้บุญเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันเพรเาะความสงบไม่เท่ากันสวดมนต์ก็ได้ความสงบในระดับ ถ้านั่งสมาธิก็จะได้ความสงบมากกว่าการสวดมนต์คุณลดเมยครับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งควรเน้นทําบุญทําทานแบบไหนครับทําใจทำภาวนาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่เทียงก่าแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้ายอมรับความจริงนี้ได้ใจก็จะมีความสุขมากปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย คุณอัญเชลีครับบุญกุศลที่เราส่งให้ผู้ร่วงรับจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ร่วงรับในโลกทิพย์ได้ไหมครับได้ถ้าเขารอรับผิวมันมันอาจจะส่งให้เขามีความสุขไงบางที่เขามีความหิวโหยขาดบุญพอเราส่งบุญได้เขา เ, าเก็หมายความได้รับอาหารของของใจอาหารทิพย์มาทำให้ใจเขาเลมีความสุขมีความออ่มใจขึ้นมา นั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองค่อยๆ ย, ย, ยิ้มมีความสุขคืออะไรครับอย่าไปสนใจเลยมันเป็นเรื่องของความ ค, ามคิดปรุงแต่งของเราเองให้อยู่กับการพอวนาต่อไปอย่าไปให้ความสำคัญกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาคุณใบบุญครับศีลแปดนอนพื้นแต่ใช้ผ้าใช้ห่มผ้าเป็นผ้านวมได้ไหมครับถ้าห่มกันหนาวก็ได้อยู่ องการร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากการอากาศที่หนาวเย็นก็ใช้ผ้าห่มได้เป็ดพ้หนวมก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ที่จะทําให้ร่างกายอบอุ่นจะได้ไม่เจ็บคข้ได้ป่วยคุณนิดบอกว่าเราสวดมนต์บางครั้งสวดผิดบ้างแต่เราตั้งใจจริงแบบนี้จะเป็นอะไรไหมครับก็ <S 1> <S 1> สติเราไม่ค่อยดีสวดผิดสวดถูกนัแสดงว่าเป็นญาการของการขาดสติพป็นเวลายาน สอนให้ถูกมันจะได้มีสติอาจารย์จะช่วยกำหนดพุดโทโธให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมครับท่องพุโทโธไปภายในใจหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจคิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธไปอย่าป่อยให้ใจไปคิดนําเลยถ้าอยู่พุโทโธได้เรื่อยๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบลบน้ำนัได้ การทําบุญปล่อยปลาได้บุญมากไหมครับมันก็ได้มันก็เป็นบุญในชนิดหนึ่งให้ช่วยชีวิตเขาเนี่ยต่อไปแล้อาจจะมีใครมาช่วยชีวิตเราก็ได้ถ้าเกิดพรมนาชัดหน้าเราเกิดไปเป็นปลาขึ้นมาแล้วก็จะเอาเราไปขายในตลาดแล้วมีคนมาซื้อป้อมปล่อยเราลงไปในลําทานแทนคุณจินนี่ครับ มีคนในห้องทํางานพยายามพูดให้ร้ายเรากับเพื่อนร่วมงานเขาบาปมากไหมครับก็เป็นกาพูดปลมันก็บาปนะถ้าไม่ใช่เป็นการพูดความจริงมันก็บาปมีคนสวดตามพระตอนสวดปาติโมกแต่ถ้าคนนั่งสมาธิจิตสงบขณะฟังจะอนิสงส์ดีกว่าสวดตามไหมครับเพราะว่ามีจิตที่สงบครับ ถ้าจิตสงบมันก็ดีกว่าการสวดตามการสวดตามก็จะได้สติก่อก็ดีกว่าไม่ไม่ดีกว่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่การได้สตินี้มันจะสงบไม่ได้ไม่เท่ากับการที่ใจนิ่งสงบจากการนั่งสมาธิการถวายของให้พระสงฆ์แบบไม่เจาะจงได้บุญมากกว่าการถวายแบบเจาะจงจริงไหมครับเคยไปทําบุญกรถินแล้วเจอโยมญาติธรรมที่วัดบอกมาแบบนี้ครับ คือการถวายบุญถวายทางให้กับป้ามีสองรูปแบบถวายให้กับบุคคลเป็นถวายให้กับกับกับกับสองของเขาคือหมายถึงองค์กรคือพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าความทํากันนี่อยู่ที่องค์กรศาสนาที่จะอยู่ได้เขาบอกว่าพอมีองค์กรทําหน้าที่ถ้าเพิ่งคนใดคนหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตายไปปั๊บ มันก็หมดไม่มีใครมาทําหน้าที่ต่อได้องคเจ้ญญาถึงนั้นหนาให้ทําบุญกับองค์กรให้เวลาเราเราจะสร้างกุฏิถวายวันนีนะ้ให้ถวายให้กับองค์กรให้ถวายให้เป็นสมบัติวันไม่ให้ถวายให้เป็นสมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่งเพราะถ้าเป็นสมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่งเกิดพระเวลาย้ายจากวันนี้ไปท่าอนอาจจะลื่อย้ายกุฏิไปด้วยก็ได้เพราะเป็นของท่านแต่ถ้าไม่ใช่เป็นของท่านท่านก็เอาไปไม่ได้ หรือท่านท่านตายไปถ้าอจะเขีมนมาดอกมอบปกตินี้ให้กับพ่อแม่พี่นอ้องญาติพี่น้องท่านก็ได้แต่ถ้าเป็นของสงฆ์นี่ยมันมันให้ใครไม่ได้มันเป็นของสงฆ์เป็นสมบัติของส่วนรวมของศาสนาไปพระเจา้าถึงนั้นถ้าอยากจะให้เกิดประโยชน์มากควรจะถวายแบบแบบเป็นของสงฆ์แต่บวันก็มีกรณีที่บางทีจําเป็นจะต้องถา่ายเอพบุคคลเช่นเวลาใส่บาตรให้ภาคกินนี่ก็บางทีก็ต้องให้ ก็ต้องเจาะจงให้พาะรุ่นนั้นรุ่นนี้ให้มีอาหารพอเพียงเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกซาซาตรงการกระหม่อมและเริเวณศีรษะแบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจมันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ให้เราอยู่กับการภาวนาต่อไปคล้ายๆกันเลยครับอาจารย์อยู่กลางนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้งจิตว่างมากแต่ในความว่างเห็นแสงสีแดงไปทั่วในความว่างนั้น เกิดเหตุเพราะดับเหตุใดครับส่วนใหญ่เพราะไม่มีสติมากกว่านั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจคิดปุ่งแต่งขึ้นมาถ้ามีมสติแล้วส่วนใหญ่อาการเหล่า น, นี้มักจะไม่เกิดขึ้นนั่งสมาธิพอจิตรวมเกิดอาการหมุนแล้วหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจนจิตเกิดความกลัวแล้วสมาธิหลุดเราต้องทําอย่างไรครับกลับมาที่สติแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วจิตก็เลยสร้างอาการเหล่า น, นี้ขึ้นมา คุณอัญชลีครับกายทิพย์ที่มีกลิ่นหอมคือเป็นผู้มีบุญส่วนกายทิพย์ที่มีกลิ่นเหม็นสากศพคือผู้มีกรรมทำบาปมาใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันการนมัสการครับอาจารย์ปรงสังขารเริ่มต้นอย่างไรครับก็คิดถึงความตายร่างกายของเราวันหนึ่งก็จะต้องตายไปเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปไม่ได้ ปล่อยวาอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะความอยากให้มันไม่ตายจะทําทให้เราทุกข์เวลามันตายคุณสลาวุธครับคนที่ตายไปแล้วจะสามารถรับรู้สื่อสารกับคนเป็นได้ไหมครับคนที่ตายแล้วต้องมีอภิน ญ, ญาต้องมีมีมีมีความสามารถที่จะติด ต, ต่อครับจิตใจของผู้อื่นได้เชนหลวปู่มั่นเนี่ย คือ น, นี่ท่านตายไปนี่ท่านยังมาเข้าในสมาธิของแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์ท่านคุณแม่ชีแก้วแม่ชีแก้วพอเดียเตรียม ต, ต, ตัวไปกล่าวท่านมนว่า น, นุมขึ้นหลวงปู่บ้านแล้วทราบความคิดของแม่ชีแก้วพอหลวงปู่บ้านตายไปท่านก็มาเข้าในสมาธิของแม่ชีคนดีขอแม่ชีท่านไม่ต้องมาหาเราล้ะนั่งเกิเธอไปก็จะเจอแต่เศร้าของเราคือนั่งกายของเราแต่เราไม่ได้อยู่แล้ว แม่ชีรู้ก่อนคนเอื่นรู้ว่าหลวงปูม่มันตายนนทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ต่างอำเภอด้วยกันค น, คนที่อยู่ในอำเภอที่แม่ชียอยู่นี่ไม่มีใครรู้ว่าหลวงปู่มั่นตายมันรู้ว่าตอนสายๆทางอำเภอก็ได้ข่าวมาเพื่็มาแจ้งให้ทางวัดทราอันนี้เหเขียนอยู่ในปฏิปทาพระทุกนงกรรมฐานาอยหลวงตามหมาาหบัวท่านเล่าให้ฟัง<ห>คนจะสื่อสารกันได้จิตจะต้องมีความสามารถที่จะติดต่อ ครับจิตขงโนได้ครับ <c oughs> <c oughs> ปัดสอบถามครับการปฏิบัติมาหลายเดือนตอนนี้สามารถยับยั้งความโกรธให้น้อยลงได้การทําอย่างนี้เป็นทางที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับใช่เป้หมายต้องไม่โกรธใครเลย <c oughs> ต้องไม่โกรธใครเลยเจองูเห่าในบ้านจึงไปตามคนมาตีงูจนตายรู้สึกทุกข์ใจเรารู้สึกบาป ควรทำยังไงให้ใจเราไม่ถูกครับก็อย่าไปทำอกีกครับนั่นแล้วก็ทําบุญอุทิศบุญให้กับผูที่ตายไปคุณนางครับคนที่เขาผูกคอตายดวงวิญญาณเขาจะได้ไปเกิดเลยหรือไม่ครับหรืออยู่ที่เดิมที่เขาฆ่าตัวตายครับเอาเข้าไปเลยส่วนอยากจะไปนรกกับคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ถ้าสวดมนต์เฉยๆไม่ได้นั่งได้บุญไหมครับ ส่วนนเฉยๆถ้าใจมันก็อยู่ที่ว่าสงบมากสงบน้อยสงบมากก็ได้บุญมากสงบน้อยก็ได้บุญน้อยถ้าไม่สงบก็ไม่ได้บุญเลยคุณปียวันครับกรณีพ่อแม่ป่วยจนถึงขั้นที่คุณหมอให้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วญาติลงความเห็นให้ลูกคนใดคนหนึ่งเซ็นลงนามจะถือว่าค่าพ่อแม่ตัวเองไหมครับไม่หอรอกเป็นการยุติการดูแลรักษาท่านเองยุติการพยาบาล ถ้าไปให้หมอฉีดยาให้เขาตายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการฆ่าพ่อแม่แต่ถ้ายุติการการให้ให้ออกซิเจนให้ให้อาหารเนี่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเป็นการยุติการการพยาบาลคนป่วยติดเตียงสามารถจะเปิดธรรมะให้ฟังได้ไหมครับก็อยู่ที่เขาอยากจะฟังรึเปล่าถ้าไม่อยากฟังเปิดให้เขาฟังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าอยากจะฟังธรรม เพราะใช้การฟังธรรมเนการฝึกสมาธิก็เขาก็จะได้ไประโยชน์แล้วเป็นการฟังธรรมเพื่อกิดปัญญาเขาอาจจะปกได้เขาอาจจะไม่ทุกกับการตายของเขาก็ได้ขเขาเจ็บไข้ในเปื่ของเขาก็ได้คุณพระกมณ์ครับการอุทิศบุญถ้าเราอุทิศให้แก่เทวดาเจ้ากรรมในเวรญาติทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายรวมรวมกันในแต่ละครั้งเขาจะได้รับไหมครับ มากเกินไปให้วุธิกาแก่เฉพาะคนใดคนหนึ่งที่ตายกว่าเย็ยนดีกว่าคนหัวคนใดคนรู้ิดไปให้คนนั้นไปนอนกลางคืนฟังธรรมจนหลับโทรศัพท์ทำให้เราจิต ด, ดีใช่ไหมครับก็นอนหลับมันก็จะได้พักผ่อนมันก็ดีแค่ตรงนั้นโอนเงินทาบุญสร้างวิหารทานพระ ป, ป่ากระถินสังฆทานแต่ไม่ได้ใส่บาท จะอดไหมครับไม่อดหรอกมันก็บุญบุญก็เป็นสิ่งที่มาทดแทนกันได้คุณพ ร, พร้อมบอกว่าลูกสาวเป็นมะเร็งแม่ถือศีลภาวนา น, นั่งสมาธิบุญถึงลูกสาวได้ไหมครับมันส่งไปให้ใครไม่ไา้ของใครของมันครับคุณธีระครับ นั่งสมาธิวันละสิบนาทีก่อนนอนไม่สงบเลยรู้สึกเศร้าต้องทําอีกนานไหมครับกว่าจะสงบอบางคนนั่งเป็นชั่วโมงยังไม่สงบเลยเนี่ยว่าแค่สิบนาทีมันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ใช่อยู่ที่นาทีหรอกมันนานก็ไม่นานอยู่ที่สติมากกว่าถ้าสติดีๆห้านาทีก็สงบได้ถ้าสติไม่ไดีนั่งเปโชวงก็ไม่สงบอันอยากจะให้สงบต้องฝึกสติให้มากมากก่อน มันเป็นวันๆด้วยใช่ไหมครับบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันจิตไม่ค่อยดีหรือ บ, บางวันมีเรื่องมากความคิดฟุ้งซ่านมากบางทีมันมีเรื่องเวล า, วา ค, นคนนั้นคนนี้มันก็ทําให้เรื่องราวล่านั้นมันค้างๆอยู่ในใจทําให้ทําให้ใจสงบยากคุณไอซ์บอกว่าถ้านั่งสมาธิไม่พุโทโธจะพูดบทอะไรได้บ้างครับก็วสวดมนต์ก็ได้อินที่มีเสไปก็ได้ หืจะทําคําว่าตายก็ได้เกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายก็ได้ม่อนาและสติคุณสมพรครับบอกว่าตอนเด็กๆจับปลาได้หาปลาน้ํำจืดที่อยู่ในนาข้าวใช้ชีวิตแบบลูกชาวนาตามวิถีเด็กชาวนาบ้านอยู่ในชนบทมีการหาปลาจับปลาในนาเอามาเป็นอาหารทําเป็นกับข้าวเป็นรากเหง้าอยู่ในวิถีการดํารงชีวิตทุกวันนี้ซื้อปลาน้ําจืดต่างๆที่โยมเคย เคยล่าจับในวัยเด็กถือเป็นการทําทานเสมือนสํานึกในวันวานที่เคยจับปลาที่อยู่ในนาข้าวเช่นได้จับปลาช่อนปลาหม อ, อามาทําเป็นอาหารตอนนี้จะหาซื้อปลาน้ําจืดที่เคยได้ล่าจับมาเป็นอาหารในวัยเด็กพอจะถือเป็นการสํานึกผิดเสมือนได้ไถ่บาปได้หรือเปล่าครับถยไม่ได้เราบาปที่เราทำมาแล้วมันก็จะต้องส่งผล่บุญที่เราทําในตอนนี้ก็จะเป็นเป็นบุญที่จะมาช่วยช่วยหนึ่งใจเราอาจจะไม่ต้องไปรับผล ผลบาปก็ได้ถ้าบุญเราทํามากกว่าบาปที่เราทําไปเวลาตายไปบาปนั้นก็ยังไม่สามารถสมผลได้ถ้าบุญที่เราทํานี้มากกว่าบาปที่เราทําไปแต่เราไปนั้บบาปไม่ได้นอนฟังทำบาปไหมครับไม่บาปแต่จะไม่ได้บุญเพราะมันจะหับ คุณอารีรัตน์ครับบอกว่าเดินเส้นทางธรรมแล้วถ้าตายแล้วเกิดใหม่จะต่ํากว่ามนุษย์ไหมครับพ อ, อเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องจะสูงหรือต่ํามันก็อยู่ที่ว่าเราได้ทําบุญหรือทำบาปมาถ้าทําบาปเข้ามาแล้วก็จะเกิดมาต่ํากว่าที่เราเคยเป็นอยูถ้าเราทําบุญมากลับมาเกิดเราก็จะสูงกว่าเก่า ลูกบวชนาคเวลาที่เดินรอบโบสถ์พ่อแม่ควรจะนึกถึงอะไรครับเดินรอบเกิถ้าเราเดินรอบโบสถ์นี่เป็นการเดินโยกกมเพื่อให้แสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นล้วก็เราถึงพุทธโตธรรมโมสามโขไปเรืถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระญาสงฆ์อันนี้เป็นการแสดงความเคารพของคนในในโบราณก็จะเดินทักษินาเดินรอบ อ, องค์ของ องที่เราให้ความคอรัเช่นพระพุทธลูกเราต้องโอนเขาจ้โอนโดยโยนโยนโดยให้มือขวาเราอยู่ด้านด้านของบุคคลที่เราต้องการให้ความขอรัเดินสามรอบรอบหน้าเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้ารอบที่สองคิดถึงพระธรรมคาสอนรอบที่สามคิดถึงพระวิญสงสารก็ได้เราจะท่องของพระพุทโธไปรอบแรกครับอบที่สองธรมโมรอบที่สามสังโฆก็ได้ เป็นการเจริญพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังฆ า, านุสติเป็นการปฏิบัติบูชาคุณเ k ครับนั่งสมาธิหน้าพระพุทธรูปแต่คนรอบๆคุยกันตลอดจิตไม่สงบจึงลืมตามองพระพักและเร่งบริกรรมพุทโธพุทโธถีถีถ้าสงบได้จะอนิสงส์เท่าที่นั่งสมาธิหลับตาจนจิตสงบไหมครับถ้ามันสงบมันก็ได้อเท่ากัน สงบแบบวิธีใดถ้ามันจิตสงบ ม, มันก็ได้ผลเท่ากันคุณชาบอกว่าถ้าสามีเป็นโสดาบันจะปฏิบัติยังไงครับก็เรื่องของเขาเราก็ปฏิบัติตามเดิมของเราอาจจะเปน็นโสดาบันเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเราใคยปฏิบัติอย่างไงกับเขาแล้วก็ปฏิบัติย่างงั้นไปก็คือต้องมีความเมตตากรุณามุนีตา ต่อเขานะะ่ะวิธีปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเป็นพระสวดบิบาลนั่นเป็นปุตุชนนั่อเป็นอะไรก็ตามเวลาเราปฏิบัติต่อบุคคลด้วยกันเราก็ปฏิบัติด้วยการใช้พรมให้หารสีให้ความเมตตากรุณามุติตาอเบข า, ต, า, ต, าต่อกันเวลานั่งสมาธิกำหนดจิตพุทโธพอจิตรวมเกิดภาวะนิ่งๆว่างๆจะกำหนดจิตยังไดต่อครับ ถ้ามันว่างก็ไม่ต้องกำหนดอะไร ม, มันก็จะว่างของมันอยู่เพียแต่ให้เรารู้เฉยๆไปแท่านั้นเอับรถชนสุนัขตอนกลางคืนสุนัขชอบไปนอนที่ถนนมองไม่เห็นสุนัขลุกมา ก, กับทันหันบาปมากไหมครับเป็นกรรมอะไรของเรากับสุนัขไหมครับไม่บาปถ้าไม่มีเจตนาเป็นอุบัติเหตุเป็นน้ำสุดวิสัย ถ้าสมาธิสั้นมีวิธีฝึกสมาธิยังไงไหมครับพวกฝึกสติพยายามฝึกสติบ่อยๆกรรยายกตาสติเนี่ยพยายามผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวาการกระทําของร่างกายให้มากแล้วสมาธิเราก็จะก็จะยาวขึ้นจะสงบการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้บุญไหมครับอาจารย์ไม่ได้บุญหรอกการไปเที่ยวมันก็เป็นการด้านกิเลส ในการประชาชนถ้าไม่อยากเที่ยวอีกอาจารย์แล้วเงินที่เสียสลายคุณพอ่อคุณแม่ไปออาจารย์ถือว่าได้ทานไหมครับอาจารย์ไม่ได้ทานอนะเพราะมันไปใช้ในทางที่ไม่ไ ม, ไม่ถูกไงถ้าเงินพ่อแม่ไปรักษาพยาบาลเนี้ยจะได้บุญแต่ถ้าพาพ่อแม่ไปเที่ยวนี่ก็เปไปการ ส, งส่งเสริมวิเดยของพ่อแม่มันจะได้บุญตรงไหนวิเลย์ไม่จะสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่ ทำไมตกปลามาทําอาหารเป็นบาปแต่เวลาไปตลาดซื้อปลามาทําอาหารไม่บาปครับเ <ut us> พราะเราไม่ได้เป็นคนฆ่าครับเราตกไปเราเป็นคนฆ่าเวลาไปซื้อปลาที่ตายแล้วเราไม่ได้ฆ่ามันนมันเลยไม่บาปอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้าไม่ฆ่าก็ไม่บาปถ้าฆ่าก็บาปมันไม่ได้อยู่ที่การกินกินปลากินปลาที่เก ER ิดจากการฆ่าของเรานี่ก็บาปแต่ไปกินปลาที่เกิดจากการฆ่าของผู้อื่นนี่ไม่บาป คำถามหมดพอดีเลยครับอาจารย์ครับนานก็ใกล้จะหมดพอดีนะสามอดีเลยเอะเลยครับอาจารย์ครับเขอากาสครับผมอ่วันนี้มีเพื่อนๆนฟังธรรมในเฟซเจ็ดร้อยหนึ่งคนในยูหกร้อยเจ็ดสิบแปดคนในคลับเก้าคนในติ๊ t ต k อกเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคนครับรวมมีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามคนครับอาจารย์ครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรม ร, นธรมพอลดแห่งธรรมชนะลดทำป่วงทํำแล้วก็จะนําไปสู่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมยังก็ขอให้ท่านมีความยินดีในธรรมไปเรื่อยๆเพื่อจิตใจจะได้มีความสุขมากขึ้นไปตามลําดับการสํานาธรรมสําหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพจนาไปปฏิบัติเพื่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ข้าก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกลับขอบพระคุณพาายครับ